รู้จริงๆรู้ใจใ่ใจเนืองๆในที่สุดวันหนึ่งเนี้ยใจมันจะเกิดปัญญาปัญญามันจะเกิดคือปัญญานี้ยเป็นความเข้าใจของจิดเราไม่ใช่ความฉลาดของเราความฉลาดพวกเราฉลาดอยู่แล้วแต่ละคนเนี้ยรู้ว่าตายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี้ยจิตเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรเนี้ยคิดใต้ทั้งนั้นแต่ว่าใจมันไม่ยอมรับมันคิดว่าจิตนี้เป็นตัวเราจะเอาให้ได้อยากให้มีความสุขอยากให้มันดีให้ได้ พอเราดูของจริงซ้ําๆเราจะเห็นเลยว่ามันบังคับไม่ได้เดี๋ยวมันก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูนะเดี๋ยววิ่งไปทางใจเนี่ยวิ่งไปทางตาเห็นไหมวิ่งไปทางตาเป็นแถวๆเลยนะมันบังคับไม่ได้แต่ที่เราเห็นเนี่ยเห็นกระทั้งวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงตรงที่ใจยอมรับความจริงเนี่ยที่มักมันเกิดมันทําลายความเห็นผิดลงไปเนี่นมรรคเบื้องต้นมรรคที่หนึ่งเนี่ย แค่ทำลายความเห็นผิดว่าขันท่าเป็นตัวเรามาข้อหนึ่งคือโสดาปติมากเนี่ยการทำลายสัจจะทิฏฐิความเห็นว่าขันท่าเป็นเราสัจจะทิฏฐิทำลายด้วยภัสนะด้วยการเห็นความจริงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราต้องเห็นความจริงไม่ใช่เข้าไปดัดแปลงไปช่วยเขาทำลายไม่ต้องเลยนะให้เห็นความจริงรู้กายไปเราจะเห็นว่าเขาเพี้ยนไหวเขาทุกข์ใช่ไหมเขาทุกข์เขาต้องแก้ทุกข์ไม่ต้องห้าม เขาแก้ทุกข์เขาเมื่อยนะเขาต้องขยับนแต่ว่าจะเห็นในความทุกข์เนี่ยมันให้ายสัตว์ร้ายวิ่งไล่ตามขยําเราทั้งวันเราต้องขยับตัวหนีมันตลอดเวลากายไม่ใช่ตัวดีใจเป็นตัวทุกข์ในจิตใจละ่ะจิตใจบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ถ้ารู้ลงไปวันหนึ่งใจยอมรับว่าโอ้จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้นะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ ไม่ใช่ตัวเราจริงแค้อะไรใจยำรับอย่างเงี้ยสัจญาติจิตขาดเนี่ยแสักญาติจิขาดได้ด้วยทัศน์นะด้วยการเห็นที่ถูกอยากเห็นที่ถูกนะอันแรกไม่ใจลอยไปเผลอไปเผลอไปใจลอยไปเราก็รู้อย่างอื่นรู้กายรู้ใจไม่ได้อย่างเผลอปิดคิดเนี่ยเรารู้เรื่องที่คิดแต่เรารู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้อย่างเนี้ยมห็นมันไม่รู้กายรู้ใจนึกออกไหมลืมกายลืมใจ หรือเฝอไปดูเฝอไปฟังอย่างเราเห็นโยมก็ยกก็ยีที่เราหันไปดูครับเราลืมตัวเราเองเนีเ่เฝอไปทางตาเฝอไปทางหูที่เรตั้งใจฟังเขาคุยตั้งใจฟังรู้เรื่องที่เขาพูดกันแต่เราก็ลืมกายลืมใจนั่งคนเดียวนั่งคิดหึือฟังอัตมาพูดเนี่ยยังเจ็บไหมฟังไปคิดไปถ้าไม่คิดฟังไม่รู้เรื่องนะนั่นฟังไปคิดไป นี่ยเป็นมิจิาฟังแบบปริยัตฟังไปคิดไปก็จะได้ความจำเอาไว้ถ้าฟังอย่างปฏิบัตินะก็คือเราฟังจิตมันฟังรู้ว่าฟังจิตมันไปคิดรู้ทันว่ามันไปคิดเอจะคิดแล้วมันเกิดสุกเกิดฟุกเกิดกุศลน่ะกุศลก็รู้ทันมันไปอีกกุศลนกุศลมันมาจากคิดทั้งนั้นเลยเสลอไปละรู้สึกไหมตรงที่เราเสือไปหลงไปก็เป็นโมหะนะเสือไปหลงไป อราเผลไปหลงไปเราก็ไปคิด น, นั้นคิดนี้เดี๋ยวก็เกิดโลภะเดี๋ยวก็เกิดโทสะกิเลสเวียนมีโมหะเป็นพื้นฐานอยู่เห็นไหมลืมเัลเองแล้วรู้สึกไหมเมื่อไหร่ไม่รู้กายไม่รู้ใจมันน่นเรียกว่าหลงไปเผลอไปรู้สึกตัวไว้นะเนี่ยใจมันหนีไปอีกแล้วรู้สึกไหมมันจะหนีตลอดเวลาไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับไม่ให้หนีนะ แต่เรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันจะหนีก็บังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ให้การปฏิบัติจะไม่มีอะไรที่เคร่งเครียดซึ่งนิดเดียวเลยเพราะเราไม่บังคับใจการปฏิบัติแบบบังคับเอาเนี่ยฝึกตรงข้างบังคับเรียบัดตักเรื่มฐานุโยกบังคับตัวเองทําตัวเองลําบากห้าเร็ดเป็นไงเส็จภาวนาเป็นไงเวลามีความกลุ้มใจรู้ไหม นียแค่ความรู้สึกใดๆเกิดนะเป็ดคอยรู้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นแหละเรียกว่าภาวนาภาวนาไม่ได้แปลนี้นะแต่อย่างนี้แค่รูปแบบมันบอนคนแม่นั่งตัวตรงสวยงามเจนนะนั่งได้หลายชั่วโมงใจไปไหนก็ไม่รู้ น, นี่ใช้ไม่ได้ดีแต่เปลือกเนี่ยใจมันหนีอย่างเนี้ดูออกไหมมันหนีไปมันลลบตัวเราเองไหลแแบบไป เนี่ยไหลอีกแว๊บหนึ่งดูออกไหมดูยากนะะค่อยๆหัด <Okay. S 1> อะไรนะ <Okay. S 1> ไม่ไมถ้าเรามีหน้าที่สมมติว่าเรามีหน้าที่ต้องคิดนะตั้งใจคิดขณะนั้นเราก็มีสติจากการคิดแต่ไม่ใช่สติรู้กายรู้ใจนี่เป็นสติธรรมดาไม่ใช่สัมมาสติแต่การจะใช้ชีวิตในโลกก็ต้องคิดอย่างนั้น แต่พอหมดหน้าที่ที่จะไปคิดให้รู้เรื่องแล้วนะก็หัดเจริญสติเรื่อยๆหรืออย่างเราคิดงานของเราต้องสอนเด็กสอนแล้วเด็กมันไม่ได้อย่างใจเลยเนะี่ยตอนสอนแล้วมันชักกุ้มใจกุ้มใจรู้ว่ากุ้มใจกุ้มใจนีใจ่ใช่งานล่ะกุ้มใจเป็นกิเลสละหรือสอนแล้วแหมเด็กของเราดีอย่างไงเด็กเราเก่งเราพอใจดีใจรู้ว่าดีใจเพั้นเวลามีงานทําเราก็คิดไปตามหน้าที่ แต่ถ้าเป็นงานที่ใช้ร่างกายนะเช่นฝาดบ้านปูบ้านอะไรเงี้ยเนี้ยรู้สึกตัวได้แต่รู้สึกตัวไม่ใช่เพ่งกายนะไม่ใช่เพ่งกายไม่ใช่เพ่งจิตรู้สึกตัวคือไม่เถอไปไม่หลงไปที่ขั้นแรกเนี้ยต้องรู้จักรู้ที่ถูกต้องสักก่อนนะไม่งั้นเวลารู้กายก็รู้ไม่ถูกต้องจะไปเพ่งกายเวลารู้จิตใจก็รู้ไม่ถูกจะไปเพ่งจิตเะฉะนั้นให้เรียนตัวสัก่อนว่า สิ่งที่ผิดเป็นยังไงจิต อ, อันที่หนึ่งเผลอไปหลงไปทางสาวรรค์ทั้งหกจิต อ, อันที่สองเพ่งไว้บังคับไว้ประคองไว้เพราะฉั้นเวลาเรารู้กายไม่ใช่เพ่งกายรู้กายกับเพ่งกายไม่เหมือนกันเพ่งกายมันเป็นการคอนเซนเทรตลงไปอย่างแรงเลยจ้องไว้ในะครดูบางคนกระดุกกระดิกรู้หมดเลยนะกระดุกกระดิกแต่ใจเนี่แข็งชื้นๆอันนี้เพ่งเอาไว้้ไม่ได้ประคอง หรือบางคนกลัวจะหลงนะประคองความรู้สึกเอาไว้ที่ใจไปประคองทำไรไหนะแบบเหมือนศัตรูอยู่ต่อหน้าแล้วมันจะมาฆ่าเราลนะมันเปล่งไปหมดจนการรู้นี่ง่ายการรู้เนี่ยหมายถึงว่ากลายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเช่นเนี่ยพยักหน้าแนละ้วจำไหมแค่นี้ก็ตื่นละแค่มันเคลื่อนไหวรู้ว่ามันเคลื่อนไหวก็เกิดสติ สติปัฏฐานทำเพื่อให้เกิดสติแตบเพื่อให้เกิดปัญญาเบื้องต้นให้เกิดสติวิธีให้เกิดสติก็คือตามรู้ไปร่างกายเคลื่อนไหวตามรู้เช่นมันหันหน้าอย่างนี้เรารู้สิ้นได้ว่ามันหันหน้าแกล้งหันไม่ได้นะแก้งหันไม่เกิดแก้งหันนี้มีโลภอ่ละเดี๋ยวเราจะหันให้เป็นเกิดสตินะให้เกิดสติเอออะไรนะ อันนี้เป็นขั้นเตรียมที่จะก้าวไปเจริญปัญญาสิกขาคือนะ ท, ทำให้เกิดสติก่อนทำเครื่องมือนะพอมีเครื่องมือคือมีสตินะแล้วจะก้าวไปสู่การเจริญปัญญาสติปัฏฐานนี่มีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งทำเพื่อให้เกิดสติขั้นตอนที่สองเมื่อจิตมีสติแล้วจิตจะตั้งมั่นเกิดสมาสมาธิจิตจะรู้สึกตัวขึ้นมา แล้วก็เอาจิตที่มีสติมีความรู้สึกตัวเนี้สติรา ร, รู้รูปนามต่อไปอันนี้จะเห็นความเป็นจริงของรูปนามในขั้นเจริญปัญญางั้นสติปัฏฐานตอนที่ทําให้เกิดสติจะทําให้เกิดปัญญาเนี่ยมีความต่างกันนิดหนึ่งคือสติปัฏฐานขั้นที่ทําให้เกิดสติเนี่ยถ้ารู้กายก็ยังตามรู้อยู่รู้ใจก็ตามรู้ใจรู้กายตามรู้กายเช่นมันกระดุกกระดิกเราเหลือเคลื่อนไหว พอมันเผลอเคลื่อนไหวเราก็ดูกระดิกขึก้นมาเราเกิดเรารู้ขึ้นได้ว่าเผลอไปแล้วมันจะตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเราเห็นร่างกายนี่เคลื่อนไหวมันเป็นการตามรู้กายแต่ไม่ใช่จ้องไว้ก่อนเราดูว่าไหนเมื่อไหร่มันเมื่อยละไหนมันอยากกระดุกกระดิกแล้วอ้ามันกระดุกกระดิกแล้วอย่างนี้จ้องไว้ก่อนไม่เป็นธรรมชาติมันจะเหนื่อยอต่เนี้ยเราเกิดไหวรูป้เป็นไหวนะเอาไปยักหน้าครับ แต่รู้ทันความเคลื่อนไหวก็ตื่นขึ้นมาส่วนจิตใจแล้วก็ตามรู้อยู่แล้วเช่นมันเผลอไปรู้ว่าเผลออันที่ที่รู้ว่เาเผ ล, ล, เล อ, เ, ลอเราก็จะตื่นขึ้นมามันโกรธรู้ว่าโกรธเราก็จะตื่นขึ้นมานี่พอเราตื่นขึ้นมาแล้วรู้กายก็ตื่นขึ้นมารู้จิตก็ตื่นขึ้นมาได้เราเตรียมพร้อมมีเครื่องมือแล้วมีความตื่นที่มีสติมีสัมสมาสมาธิพอจิตเราตื่นพร้อมแล้วแบบก็รู้กายรู้ใจต่อไป ครานี้รู้กายลงปัจจุบันแล้รู้กายลงปัจจุบันคือเราจะเห็นเลยไอย้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเรามีสติเราลึกได้ถึงไอ้รูปที่มันนั่งอยู่นี่ไม่ใช่เรานั่งล้วคาว่าเรานั่งเนี่ยความคิดแต่เราจะรู้สึกถึงว่ามันมีก้อนอะไรก้อนหนึ่งมันตั้งอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรา คนละอันกันคนละคนละบัพระอันนั้นดูธาตุกรรมฐานส่วนยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอิริยาบถอิริยาบถบัพปะคนระบัพระของสติปัฏฐานไม่จําเป็นอไม่ไม่จําเป็นถ้าเรารู้ความแข็งความอ่อนรู้ความเป็นธาตุไม่ใช่ตัวเราได้ก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมไม่ใช่ตัวเราดูแค่ว่าไม่ใช่เราไม่จําเป็นต้องดูอิริยาบถถ้าเป็นแขนแล้วก็บัญญนะัดแล้ว ไม่ไม่ต้องยุ่งนะคือไม่ต้องไปยุ่งยากในการปฏิบัติอย่างนั้นคือถ้าจิตไปรู้ธาตุเราก็รู้ธาตุไม่จำเป็นต้องไปรู้อิริยาบทมันคนระบบพระกันในสติปัฏฐานสี่กายานุปัสนาสติปัฏฐานน่ะมันก็มีอนาปาสนสติมีอิริยาบทมีสัมปชัญญะเห็นไหมมีธาตุแล้วก็มีอะไรปรา่าช้าก้าน ไม่เป็นไรไม่ต้องรู้นั่งรู้ว่ามันไม่มีตัวเรานั่งก็แล้วกันอมีแต่ธาตุธาตุแข็งก็ธาตุดินเนั้นดูธาตุกรรมฐานกนละมวดนี้เราถนัดปิดเราถนัดดูธาตุเราก็ดูธาตุให้เห็นว่าไอ้ก้อนนี้เป็นก้อนธาตุก้อนธาตุก้อนนี้ไม่ใช่ตัวเราธาตุนี้มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเพรน้นหายใจเข้าหายใจออกมีธาตุที่ไหลเข้าไหลออกทาอาหารเข้าไปกับถ่ายออกไป มีธาตุไหลเวียนไปเรื่อยๆไม่มีตัวเราตอนที่นั่งอยู่เนี่ยจะมีแต่ธาตุดินน้ําไายลมดูธาตุดินอันเดียวก็ได้นะเห็นเป็นธาตุธาตุดินไม่ใช่ตัวเราเห็นเก่นไม่ตัวนี้ไม่เคยทุกข์เพราะมันเป็นธาตุตัวทุกข์ไม่ใช่กายตัวทุกข์เป็นตัวเวทนาอย่าทําให้ยากนะทําง่ายๆนะสมาจะให้ ไม่ตายท่าหนึ่งกระบวนกาหนึ่งนะสาหรับโยมนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะให้คอยรู้ปัญหาไว้ความอยาก ใ, ใดๆเกิดขึ้นในจิตนะคอยรู้ทันนะแต่ทั่งอยากปฏิบัติอยากกนนําหนดอยากโน้นอยากนี้ความอยากเนี้บ่งการพฤติกรรมทางกายวาจาใจทางใจนี่โดยเฉพางใจนี่ทํากรรมฐานนะี่มีความอยากนําหน้า เห็นดูรูปเดียวเลยความอยากเกิดเมื่อไหร่ก็รู้ความอยากเกิดเมื่อไหร่ก็รู้อยากจะรู้ว่าอยากเกิดหรื อ, อยังก็รู้ว่าอยากเอาอันเดียวเลยนะจะได้ไมยุ่งยากเนละยทําทอะไรไยุ่งมาหลายเดือนแนละ้วเราส่วนมากเราปฏิบัติจริง เราจะปลอยประคองความรู้สึกเอาไว้บางทีถ้าลืมเรื่องปฏิบัติไปเลยก็ไม่เก็นนี่เราคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องคอยระวังตัวไว้อะไรแปบออกมาเลยได้รู้ทันมันนี่เราคอยระวังไว้ไม่เลยตึงขึ้นมาถ้าไม่ระวังอะไรเกิดขึ้นล้วก็ไค่มีสติตามรู้ไม่มตึงมีใจจะโปร่งจะเบาโล่งมีไปคิดได้ไหม รู้สึกไหมใจตอนเนี้ยโลง่งรู้สึกไหมตรงเนี้ยที่โล่งหมดไม่มีอะไรตอนนี้เริ่มมีแล้วดูออกไหมเพราะว่าหลงไปในความคิดอีกละก็เกิดความปรุงแต่งทุกข์ก็เกิดหนักหนั ก, นกแน่นๆ่นขึ้นมาอีกเห็นไหมคนนี้เขาเคลื่อนไหวเราดูเขาเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมเนี่ยตาเรามองเห็นเราก็ลืมตัวเราเองหูเราได้ยินเราก็ลืมตัวเองจมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือใจเราคิดเราก็ลืมตัวเองรูปเดียว รู้ตัวเองกับเพ่งตัวเองก็ไม่เหมือนกันนะ <c oughs> อาการใจ <c oughs> อากา ร, าการปกครองนะนักปฏิบัติเกือบ 100, 100, ร้อยละร้อยปกครองไว้ทุกสํานักเนะ <c oughs> ลยก็กำหนดลมหายใจก็เพ่งลมหายใจบังคับใจนะให้ไปที่อืให้อยู่กัลบลมนะดูมือก็เพ่งมือดูเท้าก็เพ่งเท้าดูท้องก็เพ่งท้องไปเพ่ง ไม่รู้จะเพ่งอะไรเพ่งมันทั้งตัวเลยจ้องไว้ทั้งวันนะกระดูกกดิกอกหอจ้องเหนื่อยเผลอแล้วทราบไหมลืมกายลืมใจเผลอแล้วก็รู้ว่าเผล่นะไม่ใช่ตั้งท่าขึ้นมาเริ่มตั้งท่าแล้วทราบไหมเริ่มเริ่มไม่ไม่ต้องทันต้องรู้ทีหลังมันตั้งท่าก่อนแล้วค่อยรู้ว่าตั้งท่าเปนเผลอแล้วก็ค่อยรู้ว่าเผลอไม่ใช่รู้รู้ทันที ไม่ใช่รู้พร้อมๆกับเหลือนะพล้อมกันไม่ได้กูโซนก้าวกูโซนเกิดร่วมกันไม่ได้เนี่ยอันไปดูเขาใช่มไหมดูเขาก็ลืมตัวเองแล้วก็แอบไปคิดต่อเลยลืมตัวเองอีกแล้วแท่คอยรู้ทันมันดูไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่นั่งเฝ้านั่งเฝ้าเนี่ยคือเกิดโลภาก่อนอยากดูอยากปฏิบัติแล้วก็เลยจงใจไปดูจงใจไปปฏิบัติ เรื่องาการปฏิบัติที่ถูกนะต้องไม่สุดโ ต, งต่งสองข้างไม่เผลอไปเผลอไปก็ลืมกายลืมใจไม่บังคับไว้ไม่เพ่งไว้ประคองไว้กำหนดไว้กำหนดไว้ไมแข็งแข็งหนักหนักขึ้นมานี่จะทํำยังไงดีไม่ต้องทําอะไรหรอเผลอแล้วรู้ว่าเผลอไปเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งเผล อ, ลอลลลแล้วพอรู้ว่าเผลอแล้วอยากจะไม่ให้เผลออีกรู้ว่าอยากนละ้เริ่มบังคับเพ่งอยู่แล้วอยากจะเลิกเพง่งรู้ว่าอยากเลิกเพง่ง รู้ลงไปเมื่อไรใจหมดความอยากเมื่อนั้นใจก็หมดความปรุงแต่งหมดความดินด้นรนใจที่ไม่ปรุงแต่งใจก็ไปถึงเป็นนิพพานได้ใจหมดอยากถึงวิราคะวิราคะก็เป็นชื่อหนึ่งของนิพพานพอหมดความอยากใจก็หมดการดินน้นรนหมดความปรุงแต่งเรียกวิสังขารวิสังขารก็เป็นชื่อหนึ่งของนิพพาน นิพพานไม่ใช่สภาวะอะไรที่อยู่ไกลๆที่ไหนที่ไหนนะในว่าภาพนิพพานเป็นสภาวะอันใดนหนึ่งนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาในใจหมดความอยากหมดความปรงแต่งก็เห็นสภาวะที่พนความอยากพนความปรุงแต่งใช่ไหมมันอยากคิดใช่ไห ม, มก็หนี่ไปคิดให้รู้ทันไหมเอากระดุกระดิกลืมตัวเองรู้สึกไหมมันลืมตัวเองไม่เป็นไร พอลืมแล้วก็รู้ว่าเผลอไปล้วให้ตามรู้มันเผลอแล้วก็รวบเ่าเผลอหนุนนาไอ้เอ็งช่วน่อยเมื่อกี้ทําเอ๋ออีกแล้วรู้ตัวป่ะเอรู้สึกไว้รู้สึกไว้คุณคุณนั้นนี่ห้ามห้ามถามนะถามแล้วเพลงรู้ส่อยไว้เผลอไปแล้วแล้วก็รู้ ได้ได้คือีกนี้แล้วแต่จิตคนนะบางคนทำสมาธิแล้วติดสมาธเลยครูบาอาจารย์บางองค์เลยไม่ชอบให้ทำบางองค์บอกว่าต้องทำสมาธิถึงจะดีอันนี้ อย่างการทำสมสาธิให้ายๆเรามีโต๊ะตัวหนึ่งมีของหลายอันหนึ่งเนี่ยมีสิ่งแตกปลอมตกมาบนโต๊ะตรงแมงสาบขึ้นมาบนโต๊ะเนี่ยของเยอะๆบนโต๊ะเราไม่เห็นนะต้องตัวโตว ๆ, ๆนะ่ะยอย่างแมวขึ้นมาแล้วเราจะถึงจะเห็นในการทำสมสาธิให้ายๆเราเก็บโต๊ะของเราเลี้ยงนวันนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วงั้นอะไรที่ฝุ่นนิดเดียวตกลงมานะเราก็มมองเห็นงั้นอย่างที่โยมบอกว่ายังไม่ทันโกรธจะเห็นใจกําลังเป็นริ้วๆกาลังจะไหลาตามความโกรธ ความจริงมันเริ่มโกรธแล้วมันเริ่มขัดใจแล้วแต่ว่ามันยังไม่โตขึ้นเป็นตัวตัวใหญ่มันขัดใจตัวเล็กนี้สติของเราว้องไวเราก็เห็นให้แต่ตัวเล็กๆนี่ก็ขาดไปเพราะนั้นทำสมถะด้วยก็ได้เสร็นแต่ระวงังติดสมถะนะ มันเพลินไปมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่านันทิราคะความเผลอเผลอเป็นกิเลสตะกู ล, ลาคะคนพอเพลินแล้วใจก็หมดแรงหายไปเลยหรือว่าทำนิดหน่อยได้นะทำนิดหน่อยประเภทเราไปอะไรแปลกปลอมเล็กๆเข้ามาในใจก็จะเห็นตัวสำคัญคือการที่เรารู้จักสภาวะอย่างแต่เดิมหัดใหม่ๆเราต้องรอให้โปรดก่อนถึงจะเห็น หรือต้องโกรธมากมก่อน ไ, ไปอับเขาไปแล้วถึงจะนึกได้ว่าโกรธนะบางคนนึกตกไปแล้วถึงนึกว่าโกรธต่อมาเนี่ยพอมันโกรธพุ่งขึ้นมาแหมมอยากตกแล้วเห็นมือจะขยับนะนี่ก็ไม่ต้องตกแต่มาเห็นใจเนี่ยไหวรีวิขึ้นมานิดเดียวก็ดับเลยดูต่อไปเรื่อยๆต่อไปสภาวะอื่นๆนะก็จะไหวแว บ, บแล้วก็ดับแวบแล้วก็ดับพอปฏิบัติมากเข้ามากเข้าก็จะเหลือแต่สภาวะที่บางอย่างไหวแว บ, บๆขึ้นมาแล้วก็ดับ แวบๆเราระ ด, ดับเห็นยิบยับยิบยับไม่รู้ว่าคืออะไรก็ยังไม่พันปรุงเป็นตัวใหญ่ ๆ, ๆจะเห็นแต่สภาวะ ว, ว่ามีมีสิ่งบางสิ่งไหวๆขึ้นมาแล้วก็หายไปสติสัญญาเราละเอียดเข้าไปก็ไม่ปลุงของหยาบแต่การที่จิตไปรู้สภาวะที่หยาบหรือที่ละเอียดก็มีค่าเท่ากันเพราะสภาวะที่หยาบก็แสดงในรลักเหมือนกันสภาวะละเอียดก็แสดงไรลัก อย่งบางคนถ้าไม่เห็นละเอียดก็ไม่ต้องกุ้มใจนะเราเห็นแต่หยาบหยาบหยาบไปอ่บเราะทั้งวันเนี่ยมันเห็นอย่างนี้ก็ใช้ได้ล้วเห็นว่าใจเป็นของบังคับไม่ได้อย่างใจมันจะปรุงเป็นริ้วขึ้นมาจะโมโหเนี่ยเราก็บังคับมันไม่ได้แต่ถ้าเพ่งใส่ได้ถ้าเพ่งยึกหยุดเลยเะฉะนั้นทําด้วยสมถะแต่ถ้ารู้ทันนะจะเห็นมันเป็นไหวริ้วๆแล้สลายไปรู้เฉยๆ เราไม่ไม่ไปออกแรงแต่ต้องกระทบกระเทือนมันเลยมันห้ามไม่ได้ไม่ได้มันห้ามไม่ได้คือเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่รุนแรงเป็นอารมณ์ที่รุนแรงแล้วมันจะดึงจิตให้วิ่งอยู่เรื่อยนะมีทางเดียวที่จะหยุดได้คือสัมผัส ถ้าไม่ใช่สมถะเเราจะเห็นเลยจิตเป็นของบังคับไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะเวียนกลับมาคิดเรื่องเดิมอีกแล้วเพราะอารมณ์นี้รุนแรงเราจะเห็นเลยซ้ำๆๆจนจิตหนึ่งจะรู้เลยโอยบังคับไม่ได้พอเรารู้ว่าบังคับไม่ได้เราเลิกคิดที่จะบังคับนะเราจะไม่ไปยุ่งกับมันเราไม่เลิกเลิกคิดที่จะบังคับจิตพอเราเลิกคิดจะบังคับมันให้ดีให้มันสงบนะ่ะจิตจะสงบเลยเพราะมันหมดการดิ้นรนมี หมอไพ่อาจะรู้จักไรซิ่งกันเจ็บบิกอะ่ะบิกก็มีปัญหาชีวิตรุนแรงนะบิกอกหักบิกเป็นคนรักใครรักสิ่งนะรักกับตัวชีวิตเลยปรากฏว่าอกหักอกหักเนี่ยจะเห็นเลยจิตมันวิ่งจะโจนเข้าไปหาอารมณ์ตัวนี้ทั้งวันคิดถึงคนนี้ทั้งวั น, อ น, น, วนพอไปคิดเดี๋ยวก็รักมากเลยเสียดายอะไรอาวรเศร้าโศกเดี๋ยว ว, ยวิ่งลงไปโกรธ อ, อีกแล้ว เดี๋ยวก็โกรธวิ่งออกไปอีกเป็นห่วงเขาอีกแล้จิตเดี๋ยวก็เป็นห่วงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็เสียใจนะเดี๋ยวแค้นใจเนี่ยสลับกันตี้วเอยู่ทั้งวันพยายามทํำยังไงก็ไม่อยู่จิตจะไหลไปทางคิดเรื่องเดิมนี่นี้วันหนึ่งมันสยามสุดลิ์สุดเดชแล้วทําไม่ได้บอโอ้จิตเป็นของบังคับไม่ได้แต่ไปนี้ไม่บังคับแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันละจะรู้อย่างเดียว พอรู้อย่างเดียวเธออยากวิ่งไปเหรอเออไม่ห้ามเธอละเธอจะวิ่งไปเรื่องนี้ไม่ห้ามพอไม่ห้ามไม่ทำเลยต่อนะ้วพวกนี้หายหมดเลยพอใจเราไม่ไปหลงปรุงแต่งแะพอใจอะไรที่ใจเรากลัวนะเราก็จะกังวลถึงเยอะอย่างเราไม่อยากให้ใจไปตรงนี้นะมันวิ่งชอบไปไม่ต้องให้ไม่ต้องไปหวังว่าใจเราจะไม่วิ่งไปเธออยากวิ่งเธอก็วิ่งไปเรื่องของเธอฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ว่าเธออีกต่อไปละ ใจเนี่ยฉันไม่ว่าเคยอีกแล้วเป็นกลางกับมันซะไมงั้นเราจะอย่าไปหน้าอย่าไปนะแต่มันจะไปควาจริงมันแสดงธรรมะให้เราดูนะว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกสังเกตไหมมันไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้มันอยากไปมันก็จะไปมันคล้ายๆมันเป็นสัตว์เลี้ยงตัวมันมันอยากจะไปเที่ยวมันก็ไปจะอยากวิ่งออกจากบ้านไปกินของสกปรกอะไรเงี้ย อยู่ในบ้านมีของดีๆกินแล้วแหมจ่ามันดิ้นจะวิ่งออกไป้วใครรู้เอานะลาบากยากลำบากมาเข้าใจผ่านตัวนี้ได้แล้วก็เราเติบโตอีกแล้วจะรู้ว่าคุ้มที่สุดกินดีแล้วนะไปรู้สึกเรื่อยๆไปนะอย่าไปแกล้งทำอะไรแบบ พ, กพวกเรานะสองคนนี้ชอบแกล้งทำ <laughs> ปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะดีไม่ต้องทำอะไรหรอกทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะแต่ใจมันแอบไปทำอะไรเราคอยรู้ทันดีที่สุดใการปฏิบัติเนะี่ยบางคนก็ทำสบายบางคนก็ลำบากบางคนรู้เร็วบางคนรู้ช้าบางคนไหนกิเลสเบาบางก็ปฏิบัติสบายในกิเลสรุนแรงก็ปฏิบัติลาบากก็เป็นทุกข์หาปฏิปทาทำให้ กิเลสแรงเนี่ยมันเปินทุกข์ขาวปติปทาเล่นยากเหนื่อยแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็รู้เร็วอินทรีย์อ่อนๆสติสมาธิปัญญาอ่อนก็รู้ช้าเป็นพวกเรามีหน้าที่ฝึกฝนอินทรีย์ให้แก่กล้านะลำพังเลยว่าจะไม่ให้กิเลสเกิดมั่ไม่พัฒนาสติสมาธิปัญญาไม่บรรูุอะไรหรอกพยายามเจริญสติเรื่อย ทำยังไงสติถึงจะเกิดสติจะิจากการจําสภาวะรูปนามกายใจได้ทําไงถึงจะจํารูปนามกายใจได้คอยรู้สึกคอยดูบ่อยๆจะมาบอกแล้วนะอะไรที่เราคอยดูบ่อยๆอ่านหนังสือเราอ่านบ่อยๆเราก็จําได้เราคอยรู้กายคอยรู้ใจเพียงบ่อยๆสติก็จํากายจําใจได้หร้อสติเกิเองเช่นเราเคยรู้ยืนเดินนั่งนอนเราเคยรู้ พอมาพอเรเผลอเห็นเพื่อนเดินมาเราจะก้าวขาไปทักเขานะพอก้าวเท้าปั๊บ ก, ก, ก็เนี่ความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นแะล้วอ๋อมันคิดเผลอไปล้วความรู้สึกตัวจะเกิดเราเอากายมาเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดสจิตให้เกิดความรู้สึกตัวหรือนะบางคนดูจิตไปเฝ้าสังเกตใจของเราให้มันเปลี่ยนแปลงทั้งวันเอย่าไปเพ่งให้นิ่งเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนทั้งวันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ เดี๋ยววิ่งไปทางตาทางหูทางใจเห็นว่ามันเปลี่ยนทั้งวันเราหัดรู้หัดดูไปด้วยต่อมาพอเราขัดสติเราเพลอสมมติ เ, เห็นเพื่อนเดินมาอีกเราดีใจปั๊บสติเกิดเลยรู้ว่าดีใจแล้วเราหัดตามรู้นามาทำคือความรู้สึกทั้งหลายพอความรู้สึกเกิดขึ้นสติก็จะเกิดถ้าเราหัดตามรู้รูปกระทำอย่างเรารู้ยืนเดินนั่งนอนอะไรคอยดูคอยรู้เรื่อยๆ พอเรากระขาดสติไปพอมีการยืนเดินนั่งนอนคู้เหยียดอะไรขึ้นมาสติก็จะเกิดเองทันทีที่สติเกิดขึ้นมาจิตจะเป็นกุศลกับพลันเลยลักษณะของจิตที่เป็นกุศลคือมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลไม่มีกิเลสตัณหาแทกอย่างกิเลสแทรกอย่างอยากปฏิบัติเนี่ยจิตที่อยากปฏิบัตินั้นจิตไม่ควรแก่การงานจิตถูกกิเลสแทกแล้ว จิตจะต้องมีความค่องแค่วว่องไวไม่ซึมซึมทื่อๆจิตซึมซึมทื่อๆเป็นอกุศลดังทันทีที่สติเกิดนะจิตจะปัสสยวเบิกบานแจม่มใสจิตที่เป็นกุศลมันจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลไม่ถูกกิเลสทรบงามคล่องแคล่วว่องไวและจิตจะมีความสุขและจิตที่เป็นกุศลนี่ยมีเวทนาด้วยสองชนิดเท่านั้นคือโสมนันสเวทนา ทันทีที่รู้สึกตัวเราจะรู้สึกเลยมีความสุขโวยขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนี่เป็นสุขเป็นโสมนัตที่ไม่อาศัยอามิสอะไรเลยเสมนัสที่เกิดขึ้นมาก็มีสติเหมือนทันทีที่จิตมีสติขึ้นมาจิตจะมีความสุขความสุขจะแผ่วขึ้นมาหรือบางคนมีอุเบกขาอุเบกขาใจเป็นกลางกลางแต่กลางแบบนุ่มนวล น, นะไม่ใช่กลางแบบแข็ ง, ขง แข็งๆมันอกุศลเอ็นทันทีที่เรามีสติปุ๊บจิตเป็นกุศลจิตมีความสุขทันทีเลยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิสเดสมาธิเราชอบไปคิลว่าสมาี่เกิดจากโน้นสมาธิเกิดจนนาก น, าา น, นี้แต้จริงไอ้อภิธรรมก็สอนชัดๆเลยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิคือเรามีความสุขในการที่มีสติรู้กายรู้ใจแล้วเกิดความสุขขึ้นมาสมา ธ, มา ธ, มาธิอันนี้จะตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจ อย่างบางคนมีความตุขในการอ่านหนังสือสมาธิมันก็ไปตั้งมั่นในการอ่านหนังสือมีจะความสุขจากการดูหนังฟังเพลงนะสมาธิมันก็ไปตั้งมั่นกับการดูหนังฟังเพลงถ้าเรามีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจแล้วมีความสุขขึ้นมาจิตใจสมาธิมันจะตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจสมาธิที่ตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจเรียกว่าสมาสมาธิ <PO> สติที่ระรึกรู้กายรู้ใจเรียกสัมมาสติส่วนตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิก็คือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจของรูปของนาม น, นั่นเองพอเรามีใจตั้งมั่นในการรู้สึกตัวใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไมนะ่มันส่งกันเป็นทอดๆนะการจําสภาวะได้แม่นเพราะเราดูบ่อยๆนะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติพอมีสติจิตเป็นกุศล เมื่อจิตเป็นกุศลจิตมีความสุขเมื่อจิตมีความสุขเพราะว่ารู้กายรู้ใจแล้วก็สมาธิจะเกิดขึ้นมาตั้งมั่นอยู่กับตัวเองไม่ไปตั้งอยู่ที่อื่นจะตั้งมั่นในการรู้ตัวตั้งมั่นด้วยจิตใจที่อ่อนโยนนุ่มนวนลด้วยนะไม่ใช่ตั้งกระด้างแข็งแๆทื่อๆนั้นอกุศลสมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือพอเราจิตใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ การตามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาจะทําได้จิตต้องมีสมาสมาธิจิตต้องตั้งมั่นอยู่กับตัวเองไม่เผลอไม่ลืมตัวการที่เราคอยรู้กายรู้ใจเนืองๆด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองสงบเบิกบานตื่นเราก็จะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงว่าเขาไม่เที่ยงนะเขาเป็นทุกข์นะเขาบังคับไม่ได้นะ เห็นซ้ำซ้ำซ้ำไปในที่สุดมรรคก็จะเกิดขึ้นงั้นปัญญาแกงรอบขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมรรคจะได้เกิดมีปัญญาเกิดได้ แ, แม้แ้่ต้องประกอบด้วยอะไรมีสติมีสมาธิมีปัญญาพวกนี้สำมาทั้งหลายเนี่ยทำงานร่วมกั น, นถ้าพวกเราไปแยกนะอตอนนี้ไปฟังพระเทศเรารับศีลหนึ่งขอศีลมีศีล รลางวันนั่งอ่านธรรมะอะไรต่ออะไรยุ่งยากพุ้นวายบอกเจริญปัญญาก่อนนอนไปนั่งสมาธินี่ไม่ใช่สีสมาธิปัญญาละแยกส่วนกันหมดเลยศีลก็คือความเป็นปฏิสิทธิ์ของกายของใจนะสมาธิก็คือการที่จิตใจของเราตั้งมั่นรู้กายรู้ใจไม่ลืมตัวเองปัญญาเขาเป็นความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจของรูปของนามงั้นธรรมะจริงๆไม่ยากจับต้นทางให้ได้ ต้นทางก็คือการคอยรู้กายรู้ใจเนืองเนืองแล้วพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าสติปัฏฐานนี่ยเป็นทางสายเอกเป็นทางเส้นเดียวเลยสติปัฏฐานคือการตามรู้กายรู้ใจตัวเองเนืองเนืองนั่นเองใจดีไปแล้วรู้ไหมแค่รู้ก็ตื่นแนละ้วรู้สึกไหมแต่ว่าตื่นได้ชั่วขณะก็นีติดคิดติดแล้วหล อ, อกไหมพราแสดงธรรมะให้เราดู ท, ทันทะีเลยพอเผลอไปพอรู้ตัวว่าเผลอนะเผลอดับ รู้สึกตัวเกิดแต่รู้สึกตัวอยู่ได้ตัวขณะแรบเดียวความรู้สึกตัวก็ดับเปลอไปคิดอีกแล้วเพราะงั้นเปอก็รู้เปอแล้วก็รู้ไปเราจะเห็นในตรงที่เปอได้่ยกุสอนตรงที่รู้สึกเป็นกุศสเมื่อได้เกิดแล้วดับเหมือนกันทั้งสิ้นเรารู้ไปจนถึงเกิดหนึ่งก็จะเข้าใจความสิ่งทุกสิ่งที่เกิดร้อนจะดับทั้งสิ้นถ้าโสดาบันรู้ตรงนี้ยังบังคับอยู่ไหม ชื่อๆนั่นแหละบังคับไว้มันชื่อๆเพราเราไปปรับครองไว้เรายังพยายามจะรู้สึกตัวแต่ก็ยังชื่อๆตรงนี้แล้ก็ติดเป็นอีกนิดอ๋อมาอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อกลัวมั้งบางคนก็เป็นนะอยู่บ้านก็ติดดีๆนังกับข้าววัดติดเสียเลยกลัวหลวงพ่อมันชื่อๆรู้ว่าชื่อๆ สัง เ, เกตไหมบังคับมันไม่ได้มันจะเทืออดูลงไปเลยบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้อะไรเกิดขึ้นดูลงเป็นไตรลักษณ์ไปเลยเป็นไงพอนมะาไม่ไม่ไม่ใช่พช้อช่วงไหนอ่ะ ทุกคนอะหลงไปกับความคิดนนส่วนใหญ่เลยล่ะนะนี้เราหน้าที่รู้ให้ไหวขึ้นใหม่ขึ้นเท่านั้นแหละการที่เรารู้ว่าหลงไปนะั่นดีแล้วล่ะในโลกเนี้ยเขาหลงกันทั้งโลกอะแต่เขาไม่รู้ว่าเขาหลงอยู่การที่เราเห็นว่าหลงไปแล้วจิตรู้ว่าหลงไปโูพิเศษมากนะดีแล้วคอยดูเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะหลงตั้นหลงตั้นหลงเป็นไงวันนี้ดีกว่าเมื่อวาน เนี่ยนะค่อยดูอย่าอย่าไปล้าเลยนะเราดูลูกดูสามีดูบ้านเรามาเยอะแล้วเราดูตัวเองบ้างพวบนี้เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงหรอกนะ <c oughs> ถึงเวลาเราจะตายเราตายคนเดียวเราคา่อยดูของเราเบื่อรั่วเบื่อไม้ตายของกิเลสจะมีสองตัว สองกระบวน่านะคัอที่หนึ่งเบื่อคือที่สองสงสัยก็เบื่อแล้วไม่เอาละแค่นี้พอละกจริงเบื่อเบื่อรู้ว่าหนึ่งเบื่อพอหายเบื่อแล้วก็สิดูทีวีอันนมีสองตัวที่จัดการพวกปัญญาชนายท้องเลยคือเบื่อกับสงสัยพอสงสัยนะแทนที่จะรู้ว่าสงสัยเลยคิดอุทลุดเลย ถ้าสงสัยรู้ว่าสงสัยแล้วไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องถามใครก็คือความสงสัยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสภาวะทั้งหรายก็แต่เกิดจะดับมันง่ายขนาดนี้ง่ายจนยากง่ายจะเราละึกไม่ถึงข <c oughs> อคุณรู้สึกไหมเราอย่างประคองไว้หน่อยหน่อยออให้รู้สิเกนะิดแล้วอย่าไปอยากแก้นะถ้าอยากแก้ให้รู้ว่าอยากแก้ <c oughs> เราไม่รู้ไง <c oughs> ถ้ารู้มันก็หลุดเลย นะพอรู้ปุ๊บหลุดเลยถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็อย่างเงี้ยปรึงกันไหมธรรมชาติของจิตย่อมไหลไปตามความเคยชินเราเคยชินที่จะน้อมให้มันเข้าไปนิ่งๆอย่างนี้มันก็นิ่งอย่างเงี้ยเคยชินจะโกรธมันก็โกรธเร็วเคยชินจะโลภมันก็โลภบ่อยเคยชินที่จะประคองไว้มันก็ประคองบ่อยเพราะฉะนั้นจิตมันก็ไหลไปตามความเคยจินไคยชินมันมีสองกระแสนะเคยชินฝ่ายทั่วเนี่ยอนุใส เคยกินทางดีเร็กบารมีเคยกินที่จะให้มีฐานน้บารมีเคยกินที่จะให้ก็ให้ง่ายเคยกินที่จะรักษาศีลก็รักษาง่ายเป็นโลภะนั่นเราอย่าไปรู้จักรู้หัดรู้ตัวสภาวะไปนะถ้าตอบคุณรู้ตัวสภาวะเยอะๆหลากหลายนะสภาวะอะไรเกิดเราก็มีสติตัวไหนเกิดเราก็มีสติ ถ้าเรารู้ตัวเดียวสมมติเรารู้จักโกรธอย่างเดียวต้องโกรธก่อนถึงจะเกิดสติน้อยแป่ถ้าเราหัดรู้สภาวะเรื่อยๆสังเกตดูในสติสัฏฐานเนี่ยอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าเลือกมาให้เราทำนิพพานาเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เกิดตลอดเวลาอันใดอันหนึ่งอะเกิดตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนี่ครอบคุมเวลาทั้งหมดแล้วแค่นี้เองคุมได้หมดแล้ว ถ้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกก็คือมีสติทั้งวันละถ้าเราหายใจทั้งวันยืนเดินนั่งนอนเรายืนเดินนั่งนอนทั้งวันถ้ารู้อินยาบทสีนะยืนเดินนั่งนอนแล้วรู้สึกตัวได้แล้วก็ก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันเหนียวซ้ายแรงขวาคู่เหยียดกระดูกกระดิบเคลื่อนไหวอะไรแล้วไปรู้สึกสัมปชัญญะบัพพะถ้าเราทําเราก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันเหมือนกันรู้ธาตุกรรมฐานนะเห็นธาตุ ในร่างกายภาพนี้ก็มีอยู่ทั้งวันหรือดูเวทนาสุกปุ๊กเฉยๆอะไรเงี้ยเวทนาเกิดทั้งวันหรือดูจิตเป็นกุศลบ้างอกุศนบ้างนีง่ดูได้ทั้งวันนั้นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าเลือกให้นะเป็นอารมณ์ที่เกิดทั้งวันเลยมีให้ดูได้ทั้งวันทําไมท่านต้องเลือกอารมณ์ที่ดูได้ทั้งวันเพราะว่าเจ็ดสติจะได้เกิดทั้งวันเกิดบ่อยๆไคยมีคนหนึ่งนะหนุ่มๆ ม, มาถาม ตมาบอกว่าใช้อย่างอื่นนอกสฏิปัฐานได้ไหมในการที่จะกระตุ้นให้สติเกิดถามว่าจะใช้อะไรบอกถ้าฟ้าร้องผมจะรู้สึกตัวออกไม่ได้นานๆฟ้าร้องครั้งหนึ่งนะปีหนึ่งร้องไม่กี่ทีแสดงว่ามันจะเสือทั้งชาติเลยนะปีหนึ่งรู้สึกสองสามทีไม่พอดูให้ดีอารมณ์ของสติปัฏฐานนั่นเกิดตลอดเกิดตลอด แล้วเป็นอารมณ์ที่อยู่ในกายในใจในตัวเราเนี่ยไปไหนก็เอาไปด้วยมีให้ดูได้ทั้งวันแล้วถ้าเราจเจริญสติเป็นรู้กายรู้ใจนะเราก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นแค่การปฏิบัติทำนะยังไม่บรรลุมากผลอะไรหรอกสติตัวจริงเกิดจิตก็มีความสุขแล้วปฏิบัติไปด้วยความสุขตลอดสายเลยไม่ใช่ปฏิบัติลดทุกข์ตลอดสายเลยนะเดีย๋ยวพอเราเริ่มปฏิบัติเราก็เคร่งเครียดเล แปลว่าสติเราไม่มีจริงหรอกเรามีแต่ความทุกข์โอมานัตเวชนาเกิดกับอกุสุรจิตเท่านั้นดังนั้นถ้ารู้สึกตัวเราจะมีความสกทันทีไม่เต็มเป็นไม่เต็เป็นอยู่บ้านเนี่ยเผลอเผล่ง่ายอารมณ์มันซ้ํำซากอารมณ์ซ้ำซากจะ ม, มันจะรู้สึกว่าเหมือนกันรู้ความจริงไม่ค่อยรู้รู้ไม่ผมรู้ไม่ชัด พราถึงเอบาออกไปเดินพุง่งอยู่ตรงนี้อยู่ป่านี้เคยกินแล้วย้ายที่ย้ายตรงนี้ยังอยู่วัดนี่รู้นี่งูมันอยู่ตรงนี้งูอยู่ตรงนี้เราก็ไม่มาทางนี้ใช่ไห ม, มใจสบายทั้งวันเลยพอย้ายที่ไม่รู้งูอยู่ตรงไหนแล้วคราวนี้มันต้อง alert คอยตื่นตัวค่อยรู้ค่อยดูคอยระมัดระวังเราะนั้นอารมณ์ตั้มปากนะองูบางทีเหมือนจะรู้แต่ว่ารู้แบบชื้นๆไปหน่อย รู้แบบไม่แช่มชื่นหรือไม่ก็ติดสมถาไปเลยชื่นทั้งวันเลยอยู่บ้านก็เพียงสติเท่านั้นหรือว่าปอดบ้านคนรู้อันนี้คุณหมอรวยเนี่ยไม่ต้องทําอะไรสักอย่างถึงเวลาคนเอาข้าวมา้กินไปดูก็ได้จะทานข้าวเอ้ยอนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบนะคือแล้วแต่คนบางคนอยู่ที่เดียวนะ้ทําได้ บาคนถนะ้อยู่ที่เดียวแล้วสติไม่เกิดถ้าเปลี่ยนที่แล้วสติเกิดแล้วแต่คนไม่เหมือนกันเมื่อติดก่อนเดือนสองาทิตย์ก่อ น, อออนไปสกบุรีเจอพระองค์หนึ่งท่านบอกท่านไม่ได้รู้เดินทุ ด, ดงธหรอกท่านมาชวนไปเดินทุท ด, ดงท่านก็ไม่ได้ไปท่านรู้สึกท่านอยู่วัดท่านท่านก็ทำได้แล้วท่านก็ทำได้จริงจริงอย่างนี้ใจได้